คำว่าพระสกิ ธ, ธาคามีมัตต์หมายความถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิ ธ, ธาคามีผลอันนี้อารมณ์จะต้องเลยไปโซดาบันมันแล้วเพราะว่าไปโส่ดาบันมีคุณทรงคุณธรรมสี่ประการคือนึกถึงพระพุทธเจ้าคารมพระพุทธเจ้าประทับทุตโสดและมีศีลบริสุทธ ส่วนที่แถมที่เกินก็คือมีผลิพานเป็นอารมณ์นี่หมายถึงว่ามีความไม่คงจริงๆคำว่านักถีพระพุทธธรรมธารีสอสงนี้เขาหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เมิดคำสั่งหมายถึงสินงสิ่งใดที่รงค์ทรงสั่งห้ามตามาธรรมวินั ย, นยสิ่งนั้นท่านที่เป็นทโสลาบัญย่อมไม่ปฏิบัติ สี่งใดที่อมสมเด็จพระสงฆสวัชทรงแนะนําให้ปฏิบัตินั่นเป็นทางของประโสงดาวบัญปฏิบัติคือความไม่อยากเฉพาะอาศัยที่มีความเคารพในพระพุทธเจา้าจริงๆจึงทรงศินบริสุทธิดคาบนสิ่งของประโสงดาวบัญก็ต้งหมายเอาถึงกรรมบุสิทธิ์ด้วยำคำบนกรรมบุสิทธิ์เป็นทั้งสินเป็น ท, ทั้งธรรม และมีเพย์ผ่านเป็นอารมณ์อยู่ในขอบเขตของสีนในวงจำกัดอันนี้สาหรับพระสีทาคารีถ้าแยกกล่าวกันไปก็เป็นเพียงว่ามีจริยาทั้งหมดเหมือนปนสดาบันแต่ว่าระงับความโลภระงับความโกรธระงับความหลงให้เบาบางลง ก, กว่าปสดาบัน นี่เราก็ย้อนไปดูก็โซดาบันว่ามีกรรมฐานอะไรเป็นอารมณ์บา้างพอโซดาบันมีมรณาลุกขติกรรมฐานเป็นอารมณ์มนึกถึงความตายเป็นปกติเมื่อรู้ตัวจะตายก็ไม่ยอมตายเร็วจะตายอย่างดีนี่ก่อนจะตายดีหรือเป็นผีดีก็ต้องเป็นคนดีก่อน คนจะเป็นคนดีได้ก็ต้องอาศัยมีพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานและมัฒนาสี่อุปสมานุสติกรรมฐานยิ่งกว่านั้นก็มีฮิลิโลตปะประจําใจอย่างนี้เป็นประโสดาบัน นี่เป็นโซดาบันคุณจทรงคุณธรทำได้อย่างนี้สำหรับพระสกิธาคามีพรทรงคุณธรรมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพระสีทาค า, ค า, คาคมาีมักเบื้องตนก็เพิ่มมาพยายานการที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้คือร่วมลงกำลังใจของผมมีหานสีให้หนักขึ้นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่บุคคลทำให้เราไม่ถูกใจเราให้อภัยไม่ทืโทษโกรธคนนั้นถ้ารมู้งติได้อย่างนี้จริงๆก็จัดว่าเป็นพระธิธาคารมีมักอย่างยากยังยังไม่ถึงสีธาคารมีผลมีการีปฏิบัติตนในเองถึงพระสิธาคารมีผล ก็ต้องเพิ่มคำมัฐานแลปัสสนาญาณบางอย่างควบคุมเข้ามาเพราะว่าสมาธิวิปัสสนาญาณในด้านเะโสดาบันนั้นในด้านสกายติทียังไม่มีการลังเกียจในร่างกายอารมณ์ยังไม่ละในร่างกายเด็ดขาดเพงจะเพียงมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะต้องตาย ความพอใจในร่างกายว่าเป็นของสวยสดสดงามของน่ารักน่าชมอย่างนีอยู่นี่มาด้านพระเจคิชาคารีเราก็มาเพ่งดูตามคําสอนท่านบอกว่าพระเจคิชาคารีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความโหลงเรื่อการที่จะบรรเทาความโลภ ราต้องทำยังไงก็ต้องเพิ <Yeah. S 1> ม่มกรรมฐานข้ามาอีกกองหนึ่ง น, นั่นก็คือจาคานุสติกรรมฐานด้วยรู้ว่าจาคานุสติจาคานุสตินี้หมายถึงว่าคิดอยู่เสมอในการที่จะกำจัดความเหนียวแน่นความตันนี ด้วยความโลภในทรัพย์สินมีความรู้สึกแอบานาของปัญญาเมื่อคนที่มีความตเหนียวแน่นเกาอยู่ในทรัพย์สินมากเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถใช้บริจาคทางการสงเคราะห์ไม่มีาจเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขตามที่เราจะเพ็นช่วยได้ อย่างในสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าไม่รู้จักลดช่องว่างแต่ความจริ้งการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีการสงเคราะห์เพื่อคนซึ่งกันและคันนี่พระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วแต่ชาวโลกไม่มีความเข้าใจไม่ปฏิบัติตาม เนื้อการที่จะเป็นบ้านเศรษธาคารนีก็ต้องวิีจารคานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ถาหลักจารคานุสติกรรมฐานตัวนี้ความจริงก็มาจากกวมีหารสี่นั่นเองการที่เราจะสละทรัพย์สินให้แก่บุคคลเอ็นใดก็ทรัพย์สินเ้าหามาโดยยากเราก็จะให้ได้เดิมหน้าหนึ่งไม่ตายความรักคือนาความสงสาร ถ้าเราเปลียดไม่สงสารเราก็ไม่หายแรงและอย่างดีๆสุดก็ให้ด้วยความไม่เต็มใจนี่สำหรับพระสิทธาคาม่ีไม่อย่างนั้นมีอารมณ์ใจที่สุดเสมอว่าทรัพย์สินซึ่งของนอกกาย แม้แต่กายของเราเองเรายัางควบคุมให้มันดีตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ข้างความตายไม่ได้เราจะส่งเคราะห์เพื่อนมนุษย์สัตว์นี่ที่ที่เรียกกันว่าเพื่อนคเคยแย่เจ็บตายให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะจิงทำได้ในจาระันนี้เป็นการให้ตัดขาด ให้เพื่อการส่งเคาะจริงๆไม่มีความหวังในผลตอบแทนแม้แต่คำสัเนเสิรญเยนยออจากผู้คนผู้รับ ก, ก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้โดยการมีความหวังว่าคิดว่าจะตักโลกภ ค, ความโลภในจิตให้มันขาดไปแต่ว่าทีงนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีเท่าไหร่ให้หมดเท่านั้น การให้ต้องคิดพิจารณาดูก่อนว่าให้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมถ้าให้จนถึงก็เราเดือดร้อนทระพพทธเจ้าสงตมิตรแต่สมมตว่าท่านนี่เป็นบุษฐาบัญก็ดีถ้าศีธาคามีก็ดีเป็นคนประกอบพะทธทาฉะนั้นท่านโู้นี้องค์สุพระสัมมาสมมัพพิตรเจาร้าจึงห้ามับคนท่านบุคคลประเภทนี้ แต่อขอเข้าท่านก็ น, นึกว่ามีความจาเป็นเทก็ให้แต่ขอบ่อยๆเป็นเกินวิสยัยของสมณะคนขอเลยไม่เสร็จพระใครเพิ่งขอทานไปฉะนั้นถ้าเราจะเพงรู้ว่ า, วาคนใดเขามีาศรัทธาก็อย่าอ้าปากขอถ้าจิตนั้นไม่จําเป็นที่สุดิทผ้ามันไม่ขาดจ น, นถ้าจะโน้มไม่ได้จะเป็นขอเขา มันยังใช้ได้คงยังอยาจะขอมันไม่อดถึงจะตายก็จะไปอ อ, อ, ออก่าขออาการขอมันเป็นเจติยาของความเลวไม่ใช่เจติยาของความดีเมื่อคนขอนี่ต้องตัดอารมณ์การหน้าด้านหือมีความรู้สึกไปด้านนี้ออกไป มีการขอบ่อยๆหรือขอเกินจำเป็นไม่ใช่สวมณวิสัยเันั้นพระพุทธเจากจะทรงข้ามเมื่อใจคุณใดถ้าเป็นภระเสริข้ามการขอทุกอย่างเว้นไว้แต่สิ่งนั้นมันถึงที่สุดที่เราไม่สามารถจะส่งตัวได้จำเป็นจะต้องขอก็ขอแต่เฉพาะในจุดที่จำเป็นมีค่าไม่สูงนะ ตุลีพ่ออะไรพระบาตรรองของพระโสงา์ดาวศริธาขาดมีพรมีหางสี่ประจําย่อมมีนคนมีใจดีเพื่เกื้อคุณนี่สมในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีพระขอในสในักของพระโสงฆดาวิริธาขาดเพื่อเกืนอทุลีมีเยอะแยะไปเหตุนี้ปรากฏขึ้นองค์สมเด็จพระจอมทาจจึงห้ามขอที่สำนักเราต้มีการสงบในเรื่องนี้ให้มาก ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นระโสนดามันกันก็จงอย่าเอา่ยปากขอถ้าไม่มีความจำเป็นที่จริงขอเขามากเกินไปใช้เขามากเกินไปไมันจะเป็นการรุ่มร่ามไม่พอใส่ของแพร่จงมัตยัยการทุกอย่างอย่าคิดว่าถ้าเขาให้ก็ได้ใจขอเันหล่ะ นีส่สมัรครพระสิทธาคามีมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอหรือเบอร์โสดาบัญญัตเหมือนกันมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอนี่วัดกําลังใจของเราว่าการปฏิบัติของเราเข้าถึงเระโสดาปฏิมากรสิทธาคารมีมักแล้วล่ะเป็นอันว่ามีอารมณ์คิดจะให้อยู่เป็นปกติไอ้การความโลภนั่นก็มันเทารง การคิดว <cin> ่าจะคิดโกงคิดโง่เขาไม่คิดอยู่แล้วนี่การแตเกียรติกายแสวงหากรับย์เินพอดีย่อมไม่มีกับพระสกิธาธรรมเพราะจิตเริ่มเป็นสุขมีเท่าไหร่ก็เป็นสุขและการหากินต้องหาแต่หาแบบสบายๆอย่างอารมณ์ที่มีความสุขไม่เบียดเบียนตนจนขึ้นไปจนเกินไป นี่เป็นอนารมณ์พระสกิธาคาริมักเพิ่มจากานุสติกรรมฐานก็ไม่กดหนึ่งบทึ่ทำเป็นชาญสมาบัติให้อารมณ์สรบตัวคิดไ้เสมอกายคิดไ้เสมอมีความรู้สึกไปเสมอนี่ชื่อว่าเป็นกานทรงชานถ้าทั้งนั่งภาวนาตามปกติโดยเวลาเลิกแล้วจิตก็นลยคิดจิตมีความเร็วอันนี้ไม่ใช่พระสกิธาคารินาคา มันเป็นติตเ ข, ข้าศาสนาแบยภูมจงไข่ส่วนคิดไว้จะเป็นนั่งภาวานาเฉยๆนั่งภาวานาเฉยๆนยี่ลงใจมันไม่ดีมันก็ดีแค่ภาวานาบางทีก็ภาวานากันไปเป็นปกติเวลาภ า, าวาน า, านปกติก็สั้นไปนวลใช่ไปนี่มันใช่ไม่ได้มันต้องมีปัญญาไขา่ส่วนมีความรู้สึกตัวตลอดเวลา ถ้าการอย่างนี้มีอยู่แล้วก็ในแดนไหนก็แดนนั้นจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้านรอนเรื่องดับข้อดีสองพันสีา่าคามีระงับความโกรธตรงพรมากตัวนี้กไ็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่ามีพรมีหารสีจ่จเป็นจำแต่ก้ว่าพระอนาคามีก็เพิ่มอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วว่าให้อภัยทาน นอกจากจะรงัดความโกรธยับยั้งความโกรธได้ความโกรธมัยังมีอยู่อย่างเบลโสดาบันยังมีความโกรธแต่ถ้าว่าไม่ทำลายเขาของโกรธแล้วยังพยายามบอาจจะคิดแหมไอ้เจ้านี่มันเร็วจริงๆไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทำลายแต่ว่าคิดว่ามันเร็วเจ็บยั่งเจ็บใจแต่ไม่คิดฆ่าไม่คิดทำลายแต่ไม่อยากสังคมสมาคมด้วย ยังมีอาการใบหน้าเครียดแต่มาถึงพระสิทาคามีอาการเครียดของใบหน้าไม่มีโกรธยังมีความโกรธไม่ชอบใจคิดไว้ว่าใบชอบใจยังมีอยู่แต่ลมจิตอิส่วนหนึ่งเข้าพยายามหัข้ามความโกรธหัข้ามความพยาบาทคิดให้อาไปกรรมวุคลผู้กระทำความผิด โดยมีความรู้สึกว่าจิตของบุงคลคนนี้เป็นจิตโขาสัตยาไบภูมิซึ่งเป็นเพื่อเป็นท่ายเขาที่เหลือตัณหาวาทานและโกสศลกรรมเราไม่ควรจะตอบแทนในการลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเขาจะเป็นสัตว์เป็นเปตเปสุกรกายเป็นสเีฉันเป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจให้อภัยกับความผิดของเขานี่แป็ลงของพระสีธาคามนินมา นี่มาได้ความหลงตอนนี้ก็มาจับกายยะทิฏฐิเครื่องเครือขึ้นเครื่งเครื่อขึ้นตอนไหนเครื่องเครอขึน้นเพราะว่าบ้าเป็นนานรอบจิตเห็นว่าร่างกายของเราไม่จะตายแล้วก็มามองมองร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอันว่าเพิ่มกายยะตาโนสติเก้าสุภกรรมฐานหลักขึน้น โดยมาพิจารณาเรื่องร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายตายแน่มันเป็นไปสูญดาบัญชิตจะแท่ตายแต่ยังมีความพอใจในลักษณะของร่างกายในผิวพรรณของร่างกายการสดขเรื่องงนขอการตกแต่งร่างกายแต่มาในด้านทฤษฎีทางธรรมนี้พิ่ม เพิ่มอารมณ์ที่มีความรู้สึกบน ร, ร่างกายมันจะได้เพียงธาตุสี่เข้ามาประจุกัก น, นแล้วก็มีความสกปรกทุกทุกดา้านตเลตน้หลายสกปรกเอือรไกสกปรกเลือดเ น, นเลือสกปรกน้าเหลืองน้ำหนองสกปรกอุจาระปัสสาวะสกปรกทุงความมาทุกส่วนของร่างกายนี้มันสกปรกจริงๆ เมื่อสกับหลบก็รู้สึกว่ามันเป็นของน่าเบือ่อไม่น่ารักแค่ก็ยังยังไม่หมดแต่อารมณม่นในการพิจารณาร่างกายของคนและสัตว์ทั้งตัวเองแม้เกิดอาการสลดว่าร่างกายมีสภาพไปต่างอะไรกับส่วงเคลื่อนที่ก็จะมูมองลงไปทุกจุดทุกอาการมันก็เต็มไปด้วยความุโกลโกค ผิวนิดเดียวที่เรามองเห็นก็ว่าสวยแต่ทั้งๆที่ผิวที่เราเห็นว่าสวยนั่นแหละก็ต้องชําระล้างกัทุกวันถ้าปล่อยเกลกลางไม่อาบน้าไม่อาบผ้าไม่เช็ดตัวไม่ชําระล้างสักเจ็ดวันมันก็ทนไม่ไหวน่นแสดงว่าแม้แต่ผิวกายที่เราเห็นว่าสวยมันก็สกปรกถ้าส่วนที่อยู่ในผิวกายลงไปท้างในจะลอกหลังลงไปนิดเดียวเลือดจะไหลซึมออกมา เห็นเลือดมีกลิน่นเลือดเลื้งข่าวเราก็ผ่าซีซีเอน็นว่าเลือดสกปรกเห็นหลอกเลือดเข้าไปภายในยเห็นตับไตไ้ปอดอาหารใหม่อาหารเรก่าอุจาราปัศวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดตอนนี้ดูไม่ได้มันสกปรกจริงๆ อมเบื่อจากร่างกายากที่เห็นมากทกี่เชียอมากสวยสง่างามไปขอหน้าดักมันก็เริ่มเริ่มคลายตัวลงไปยังไม่หมดกำหนดจิตเป็นเอกับตาลมเป็นชายไม่มีไม่มีความรู้สึกเมามันในร่างกายแต่บางขาดยอมปรากฏบ้างเนื้อาการข้อศ ก, กายะทีิตัวนี้ แล้วบ็มาพิจารณาด้วยกายตาลนกุตกิและสุภกรรมฐานเพื่อตัดความหลงในร่างกายเห็นว่าร่างกายสุขสงบแล้วเห็นว่าร่างกายมีสภาพที่ต้องสลายตัวยึดถือดึงดันดึงมันไว้ในอยู่นี่เว็นอนุว่าอารมณ์จิตตรงนี้ถ้าเราจะเข้าไปพิจารณาว่าจุดไหนหนอที่เราจะเป็นพระสิกธาธรรมี เรว่องเป็นสิธาคามีผลมันมีอารมณ์พอที่ทจะพิจารณาได้มั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกในด้านเพศตรงกันข้ามเรื่องของเพศมันเริ่มสลายตัวลงไปความรู้สึกสนใจใ น, ในเรื่องของระหว่างเพศมันมีเหมือนกัน แต่ทว่าน้อยเป็นทีอยางปกติมันจะมีมีความรู้สึกกระสันในเรื่องของระหว่างเพศแต่ว่าบางครั้งเห็นคนเดินผัดไปผัผดมาก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างแต่ทว่าด้วยฉับพลันนั่นเองในขณะตู้ขณะเดียวจิตก็จะสันลายจากความพอใจ เพราะอะไรเพรอารมณ์เห็นร่างกายเต็มไปด้วยความสงบเห็นผ้าตาทะลุไปถึงหนังทะลุจากหนังเข้าถึงเนื้อทะลุคงเนือเข้าถึงตับไตไส้ต่อมไส้ปอดมองเห็นทะลุหโปรง่งว่าทุกส่วนก็ร่างกายคา น, นและสัตว์มันเต็มด้วยความสกงโสรกแล้วมีความเสื่อมโทรมไม่ปกติ อาการของคนทรงเต็มไปด้วยความทุกข์ตัวตนต้องบริ ห, หารร่างกายในร่างกายทุกส่วนไปกดธรรมดาในในที่สุดมัก็สลายไปตัวนี้เป็นทําให้กําลังใจคลายความพอใจในร่างกายของคนอื่นเสียม้แต่ร่างกายของต น, นเองก็มีความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่าไม่พึงปรารถนาแต่เรื่องาอารมณ์ความพอใจในร่างกายยังไม่หมดจนเหลือ บ, บ้าง นี่มาได้ความโกรธก็ยังมีอยู่ถ้ามีเบาๆแค่พบตังโกรธตังเมื่อคนแล้วต้องระงับความโกรธโดยการแหนะไผใช้เวลานา น, านไม่เกินห้านาทีอารมณ์นั้นก็คลายหายไปและก็ไม่ติดใจในความผุดนของคนอื่นมาด้านถึงความมโลภมีอารมณ์ชิดสบายปอใจตามฐานะที่ทรงอยู่ ยังไงไงก็คิดว่าทายองตัวรอดเป็นพอนี่ถ้าอารมณ์จิตขมารดาท่านพรบริษัททั้งหลายมีอารมณ์เบาในด้านโลกะความโลภมีความพอกรกด ข, อ ข, อ ข, อขึ้นในจิตคิดว่ามีมากก็พอมีน้อยก็พอจะไม่ได้ดนะไม่ทำมาให้กินกันนะ มันได้เท่าไรรู้สึกพอปีนี้ได้มากพอปีหน้าได้น้อยพอคือดิบจิตไม่ดินโดนโดยคือการยอมรับก็ถือว่าไอ้เหตุผลที่เพิ่งได้มามันก็เป็นไปตามกฎตามความสามารถตามกามลสมัยที่เราจะสง่งเขามาได้เราจะหามาได้ความโกรธระงับมันได้โดยฉับไปไม่มีการผูกพันในการเพยาายียรบัต ากายของทางากายที่มีความพอใจระหว่างเพศหรือวัตถุต่างๆความสวยสดสง่าของวัตถุก็ดีความสวยสดสง่าของร่ า, า, ง า, งางกายของบุคคลก็ดีเป็นไหลไปจากใจเกือบหมดสิน้นนี่เองทามีเร่อย่างนี้โอสมเด็จสระมหาหัมมนินทรงตัดว่าท่านผู้นั้นเป็นพระสีธาคามีอาจาศนัสวันนี้การนีแน่นลำกันกงหมดลงแล้ว ต่อ น, นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูร้ลมหายใจเข้า อ, ออกใช้ทำราวนาพิจารณาตามาัตยยาสายจงกว่าจะได้ยินึ้นญาลบอกหมเวลา